แถวนี้ผีดุวิกผมผีสวัสดีครับทีมงานรายการแถวนี้ผีดุมีผู้ฟังทางบ้านชื่อว่านแนนได้เคยฟังเรื่องลึกลับของทางชาแนลของรายการลรวรู้สึกน่ากลัวหลายๆเรื่องเลยอยากจะลองนำเอาประสบการณ์ตรงที่เจอกับตัวมาเล่าให้ได้ฟังกันบ้างไม่รู้ว่าเรื่องราวที่แนนเจอจะน่ากลัวเหมือนเรื่องของคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าแนนจาได้ติดตาและเธอว่า มันน่ากลัวมากสำหรับเธอครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแนนเมื่อหลายปีมาแล้วสมัยนั้นแนนยังผมสั้นอยู่สั้นแบบทรงเดียวกันกับหนังเรื่องกุมภาพันธ์เพราะแนนชอบหนังเรื่องนั้นเลยไปตัดผมสั้นตามนางเอกของเรื่องแต่พอตัดผมสั้นแล้วมีบางครั้งที่แนนคิดอยากผมยาวบ้างเช่นตาไปงานแต่งงานของเพื่อนแนนรู้สึกว่าอยากใส่วิกผมยาวไปงานแต่งเธอจึงไปหาซื้อวิกมาใส่ ปกติแนนจะทำผมกับร้านประจำแต่ที่ร้านนั้นไม่มีวิกผมเจ้าของร้านบอกว่าเห็นร้านทำผมร้านหนึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรมีวิกผมขายด้วยแนนเลยลองไปถามราคากับที่ร้านนั้นตามที่เจ้าของร้านทำผมร้านประจำแนะนำร้านนั้นไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับที่แนนอยู่แต่ก็ขับรถออกไปไม่ไกลมากนักแนนเปิดประตูเข้าไปในร้านก็ได้ยินเสียงพนักงานในร้านกล่าวต้อนรับลูกค้าด้วยท่าทีสุภาพ ภายในร้านก็มีลูกค้าอยู่พอสมควรแนนสอบถามถึงวิกผมอย่างที่ตั้งใจไว้ทางเจ้าของร้านได้แนะนําวิกผมแบบต่างๆให้แนนด้วยตัวเองมีทั้งผมยาวผมสั้นแบบอาจจะมีไม่มากแต่ก็มีวิกผมยาวทรงแบบที่แนนชอบพอดีเจ้าของร้านให้แนนได้ลองทรงที่ชอบและทรงอื่นๆอีกทั้งบริการดีมากทําให้แนนรู้สึกพอใจพอสอบถามราคาและได้ลองต่อรองราคาดูแล้ว แนนก็ตัดสินใจซื้อวิกผมที่ชอบกลับมาบ้านเจ้าของร้านแนะนําการใส่และการเก็บรักษาด้วยท่าทางยิ้มแย้มแนนรู้สึกชอบร้านนี้มากและคิดว่าบางทีอาจจะลองมาทําผมที่ร้านนี้ดูบ้างเพราะร้านตกแต่งสวยดีและดูสะอาดสะอ้านมีพนัก ง, งานหลายคนงานแต่งงานของเพื่อนจะมีขึ้นอีก2สัปดาห์โชคดีมากที่หาซื้อวิกสวยๆและไม่แพงได้ทันหลังจากซื้อวิกผมเรียบร้อยแนนก็กลับมาที่บ้าน นำวิกผมขึ้นไปวางไว้ในห้องนอนบนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วลงมาทำอาหารเย็นกินตามปกติหลังจากนั้นก็นั่งดูทีวีเพลินเพจนสามทุ่มกว่ารู้สึกง่วงเลยปิดทีวีแล้วไปอาบน้ำห้องน้ำของแนนอยู่ในห้องนอนแนนก็อาบน้ำตามปกติแล้วจูๆ่ๆไฟในห้องน้ำก็ดับไปเฉยๆแต่น้ำยังไหลยอยู่นะครับแนนก็เลยรีบอาบให้เสร็จแล้วออกจากห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาก็ปรากฏว่าไฟในห้องนอนก็ดับเหมือนกัน เลยคิดว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าขัดข้องก็ค่อยๆเดินคลำๆทางมาหยิบไฟฉายที่หัวเตียงแล้วใส่เสื้อผ้าโดยอาศัยแสงจากไฟฉายไปก่อนพอแต่งตัวเสร็จก็เดินลงมาดูข้างล่างปรากฏว่าไฟข้างล่างไม่ดับเดินออกไปสอบถามข้างบ้านก็ไม่มีบ้านไหนไฟดับเลยทั้งชั้นบนและชั้นล่างเลยสงสัยว่าทําไมไฟห้องตัวเองถึงดับจึงขึ้นมาดูที่สวิตช์ไฟและรู้สึกแปลกใจว่าสวิตช์ไฟถูกกดปิดไว้ นนนงงมากเพราะอยู่บ้านคนเดียวและสวิตไฟถูกปิดทั้งของห้องน้ําและห้องนอนเลยครับตอนนั้นเธอคิดเอาเองว่าหรือสวิตมันจะเด้งปิดเองแบบไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเท่าไหร่เลยคิดอะไรแบบง่ายๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันสามารถเด้งปิดเองได้หรือเปล่าแถมยังเป็นทั้งสองจุดอีกด้วยแนนลองเปิดสวิตไฟทั้งสองจุดดูไฟก็กลับมาติดได้เหมือนเดิมแนนเลยจะเดินไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อจะหวีผมตอนนั้นแนนก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาอีก เก้าอี้ที่โต๊ะมันเหมือนถูกเลื่อนออกมาห่างจากโต๊ะเครื่องแป้งพอสมควรปกติแล้วเวลานั่งเก้าอี้พอลุกออกมาแล้วนั่นจะเก็บเก้าอี้ให้ชิด ก, กับโต๊ะตลอดไม่เคยเลื่อนออกมาห่างแบบนี้และก็จําได้ว่าเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านก็เก็บเก้าอี้เรียบร้อยแล้วและไม่ได้ใช้เก้าอี้ตัวนี้อีกเลยแต่นั่นก็คิดว่าอาจจะลืมเก็บก็ได้เพราะช่วงนี้งานเยอะและก็มีเรื่องเครียดกับงานนิดหน่อยด้วยหลังจากใช้โต๊ะเครื่องแป้งเสร็จแล้ว แนนก็ปิดไฟแล้วมานอนบนเตียงหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นอีกทีเพราะฝันร้ายแนนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจ้องหน้าแนานในระยะประชิดแบบจมูกของเธอกับของแนนห่างกันแค่เซนต์เดียวเองซึ่งจริงๆแล้วแนนก็ไม่เห็นหน้าหรือเส้นผมของเธอเพราะด้วยความที่ยืนหน้าติด ก, กันมากแต่ทําไมในฝันแนนรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ผมสวยมากเงางามมากก็ไม่รู้แล้วในฝันแนนก็รู้สึกกลัวเธอมากจําได้ว่า ในฝันแนนยืนตัวสัน่นแต่ไม่สามารถขยับตัวได้พูดก็ไม่ได้พยายามดิ้นจนสุดแรงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงยืนจ้องตากับเธออยู่เช่นเดิมของกูกูไม่ให้เธอพูดขึ้นในความฝันแล้วเธอก็กรี๊ดออกมาเสียงดังมากจนแนนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแต่ที่ต้องตกใจกว่านั้นก็คือแนนไม่ได้ตื่นมาบนที่นอนพอลืมตาขึ้นมา ก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นห้องแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาแต่ก็ไม่มากพอเลยเอามือลองคลำๆดูก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับในความฝันที่ยืนประจันหน้ากับผู้หญิงคนนั้นเลยตอนที่ลืมตามาเห็นว่าตัวเองยังยืนอยู่ัน้นทั้งงงและตกใจมากจาได้ว่าตัวเองใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกพอตั้งสติได้ก็เดินไปเปิดไฟแนนบอกกับตัวเองว่าคงฝันไป แล้วละเมอมายืนอยู่ตรงนี้แต่ความจริงแล้วแนนไม่เคยละเมอแบบนี้มาก่อนเลยหลังจะเปิดไฟก็มานั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งคิดถึงเหตุการณ์ในความฝันพอหันไปมองบนโต๊ะก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะมีเส้นผมจํานวนหนึ่งหล่นอยู่บนโต๊ะลักษณะยาวสีน้ําตาลเข้มเหมือนผมของวิกที่ซื้อมาเลยพอก้มดูที่พื้นก็มีเส้นผมอีกจํานวนหนึ่งหล่นอยู่เหมือนกันและเป็นผมแบบเดียวกันด้วยนอกจากเส้นผมแล้วหวีที่แนนใช้ทุกวันก็หล่อนอยู่ที่พื้นด้วย แนนตกใจเรียบลุกจากเก้าอี้ทันทีนึกถึงคำพูดของผู้หญิงในความฝันอีกครั้งคำว่าของกูกูไม่ให้ที่เธอพูดนั้นท้านแนนไม่ได้คิดไปเองน่าจะหมายถึงวิกผมอันนี้แน่ๆตอนนั้นแนนกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าแม้กระทั่งก้มหยิบหวีที่ตกอยู่บนพื้นจึงคิดว่าจะเดินลงไปนอนที่โซฟาเพราะไม่กล้านอนในห้องและไม่กล้าหยิบวิกผมไปไว้ที่อื่นด้วยคิดว่ารอให้ถึงเช้าก่อนจึงค่อยคิดอีกที ว่าจะทำยังไงกับวิกนั้นดีพอก้าวขากำลังเดินไปเปิดประตูห้องอยู่ๆหูก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังเป็นเสียงของผู้หญิงและรู้สึกได้ว่าเป็นเสียงเดียวกับคนในความฝันผมของกูเท่านั้นแหละครับเธอได้วิ่งอย่างเร็วที่สุดลงไปข้างล่างและเปิดไฟสว่างทั่วทั้งบ้านทันทีแน่นั่งอยู่ที่โซฟาและไม่กล้านอนหลับอีกเลยได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่อย่างนั้นสายตาก็คอยมองไปที่บันได กลัวว่าจะมีใครเดินตามลงมาแนนนั่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่กล้าขึ้นไปดูข้างบนแล้วเวลาก็ประมาณเกือบตีสามได้แนนเริ่มรู้สึกง่วงจึงนั่งหลับตาคิดว่าจะแค่พักสายตาเท่านั้นแต่ก็วูบหลับไปแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดผวาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างๆตัวพอลืมตาขึ้นมาก็เจอผู้หญิงผมยาวสลวยมากยืนจ้องแนอนอยู่ข้างโซฟา เธอพยายามจะลุกขึ้นก็ขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่จะพูดก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันไปเหมือนกับในฝันก่อนหน้านั้นไม่มีผิดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งลงข้างๆโซฟาเธอยกมือขึ้นจับไปที่ผมของตัวเองแล้วกระชากแรงๆหนึ่งครั้งแล้วผมของเธอก็หลุดติดมือมาเลยรวมทั้งหนังหัวและเลือดด้วยอยากได้ผมกูมากเหรอลองใส่ดูสิ เธอพูดพร้อมยื่นผมและหนังหัวนั้นมาตรงหน้าแนานตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาตอนนี้จึงรู้ว่าแค่ฝันไปแต่มันน่ากลัวมากเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆโชคดีที่ไฟในบ้านยังสว่างอยู่เหมือนเดิมแนนลุกขึ้นจากโซฟาแล้วสายตาก็ไปเห็นเส้นผมกระจุกหนึ่งลนอยู่ที่พื้นแนนพนมมือและบอกกล่าวกับผู้หญิงในฝันว่าจะไม่ใสว่วิกผมของเธอและจะทําบุญไปให้จะให้ทํายังไงกับวิกผมก็ขอให้บอกดีๆ ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าพอดีแนนเลยออกจากบ้านไปซื้อกับข้าวมาใส่บาตรอีกอย่างไม่อยากอยู่ในบ้านจนกว่าฟ้าจะสว่างด้วยพระมาบินทบาทตอนหโมงเช้ขาขณะที่แนนใส่บาตรอยู่พระรูปหนึ่งท่านก็กล่าวขึ้นมาว่าให้แนนเอาวิกผมไปเผาให้กับผู้หญิงคนหนึ่งท่านยังบอกทั้งชื่อจริงและนามสกุลของผู้หญิงคนนั้นด้วยท่านย้ำว่าให้อุทิศส่วนกุศลให้เธอและหลังจากใส่บาตรเสร็จให้รีบเอาวิกผมไปเผาที่วัดทันที ต้องเป็นที่วัดเท่านั้นวัดอะไรก็ได้แนนปแปลกใจจึงถามท่านออกไปว่าท่านทราบชื่อนามส ก, กุลของเธอได้อย่างไรท่านบอกว่าเขาบอกมาและเขามายืนรอรับส่วนบุญอยู่ข้างๆโยมนั่นแหละได้ฟังที่พระท่านบอกแนนขนลุกสู้เลยครับหลังจากนั้นใส่บาดเสร็จเธอก็ทําท่าลังเล ว, ว่าจะขึ้นไปเอาวิกผมดีหรือไม่เพราะกลัวจะเจออะไรอีกแต่ก็กัดฟันทําใจดีสู้ผีวิ่งขึ้นไปหยิบวิกผมลงมาจนได้ แล้วก็นําใส่รถตรงไปที่วัดใกล้บ้านทันทีไปถึงก็ไปขออนุญาตพระที่วัดเพื่อทําการเผาวิกไปให้ผู้หญิงคนนั้นแนนยังได้มอบให้พระที่วัดท่านช่วยมาสวดแผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้าของวิกอันนี้ด้วยพระท่านก็มีเมตตาช่วยสวดให้หลังจากนั้นแนนก็ไม่เจอเรื่องราวน่ากลัวอะไรอีกเลยแนนเป็ น, านปงานแต่งเพื่อนด้วยผมสั้นของตัวเองดีกว่าผมสั้นก็สวยไปอีกแบบไม่คิดที่จะใส่วิกผมอีกเลยถ้าอยากผมยาวก็ไว้ให้ยาวเอาก็ได้ หลังจากวันนั้นแนนได้มีโอกาสผ่านไปแถวร้านทาผมที่ขายวิกให้เลยลองถามดูว่าวิกผมที่ร้านนี้ทำเองหรือเปล่าทางร้านบอกว่าซื้อมาอีกทีเอาไว้ลองหัดตัดหรือทำผมทรงใหม่ๆหลังจากที่ร้านได้รู้เรื่องที่แนนเล่าเจ้าของร้านตกใจมากเพราะทางร้านเองก็ไม่รู้และไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แนนก็ไม่อาจหาข้อสรุปได้เหมือนกันว่าทาไมทางร้านไม่เคยเจออะไรแบบที่แนนเจอหรือเป็นเพราะว่าทุกคนไม่ได้นอนที่ร้าน หลังจากปิดแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านกันหมดจึงไม่เคยเจอเจ้าของผมมาทวงคืนแบบแนนเธอก็คาดเดาได้เพียงเท่านี้จริงๆถึงแม้แนนจะไม่ได้เจอผีแบบตัวเป็นๆแต่แค่เห็นในฝันและได้ยินเสียงก็รู้สึกกลัวมากแล้วไม่เคยคิดอยากจะเจอกับตัวเองอีกเลยแล้วคนอื่นๆล่ะครับมีใครเคยเจออะไรแบบแนนบ้างหรือเปล่าลองมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับหากชอบโปรดกดถูกใจ และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ